ค่าคห้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยคะ่ะบานทีก็เลยทำให้เผยทิดเป็นปเยอะขึ้นนะคะไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ที่จะดีอะคะ่ะก็อย่างเราที่ว่ารู้สึกตัวห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่เผยทิพยีห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วว่าอะไรที่มันรู้ว่าเราเผดไิพย์ เรากรู้สึกตัวอ า, ากครขึ้นหนึ่งรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวจิตขึ้นหนึ่งก็รู้ทันเวลาเราเผลอไปคิดอันนี้ก็คือสติอย่างนี้แปลว่าเราเผลอบ่อยเท่าหรก็ได้เหรอคะไดเผลบ่อยเท่าไหร่ก็ได้แต่คืงเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันจะรู้ทันความคิดหรือรู้ทันจิตเนี่ยมันก็ต้องเผลอไปก่อนมันไม่ใช่ว่ามันเคยใช้ จอเนี่ยนะเมื่อกี้มันตอนนี้ยังเป็นจออยู่แต่เมืี้ปืนละโมฉายวีดีโอมันต้องให้ฉายเป็นเรื่องเราให้เห็นเรื่องราวตอนไหนมันไม่ฉายเราก็ไม่ไม่มองมันตอนไหนมันฉายเราก็เห็นมันจิตจิตปกติของเราก็เหมือนอ่าสภาวะที่มันปกติบางที่มันว่างเปล่าจากความคิดแต่การผูงแต่งต่างๆแต่บางทีก็เหมือน มีภาพขึ้นมามีเสียงขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นมาในใจแล้วก็เห็นมันดังนั้นการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ว่าอมันจะต้องไม่คิดหรือว่าต้องสงบแต่เราฝึกให้ติรู้ทันกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเห็นแล้วพอเห็นความคิดแต่ถ้าเอาใจเราไม่เป็นกลางเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบมีไหม อ่า ม, มีไม่ชอบนะไม่ชอบงงก็ทำในเพราะกลับรู้สึกตัวค พ, พอไม่ชอบมันหายไนหะมหายค่ะแต่ว่าสักครั้งหนึ่งก็จะรู้สึกที่ใหม่ครั้งหนึ่งในรอบหน้าเมือ่อเปิดชีพีอ่านแบบนัมม้นแหละนี่แหละปฏิบัติแบบนี้นะไม่ผิดหลอกนะแต่ก็สิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มขึ้นก็คือว่า เมื่อมันไม่ชอบเราก็รู้ทันความไม่ชอบนั้นแล้วก็มันอาจจะหายไปแล้วก็เกิดใหม่ก็เป็นธรรมดานะครัฝึกสติให้มันเยอะๆแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าฝึกแล้วมันจะไม่คิดแต่คิดแล้วเรารู้ทันมันได้เร็ว <c oughs> น, นั่นคือต่อไปไปโยมกลัไปทำงานต่อไปข้างนอกอ่ะเราต้องดึงตาเราจะเริดตามันก็ยังไม่พอนะ แต่ต้องติดหูอีกอาจะต้องคิดความรู้สึ ก, กต่างๆอีกนะเพราะว่าใช่ไหมสิ่งยุ่ยยนไม่ใช่แค่ทางตาทางหูทางจมูกโดยเฉพาะทาใจจะปิดยังไงอย่างอื่นมัอพอปิดได้นะใช่ไห ม, มแต่มันก็ไม่ใช่ว่าถ้ามันนั้นสถาว่าอย่างคนที่การแบบอาจารยนนะ์สมพลเนาะไม่รู้สึกทางตายแล้วนะหรือว่า คนตาบอดมองไม่เห as ็นนะคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงนะแต่นริงิงกิเลสมันอยู่ในใจมัปิดไม่ได้มันปิดห้ามความคิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราฝึกก็คือฝึกให้รู้ทันนะนะปฏิบัติเราคนใหม่ก็ได้คนเก่าก็ได้นะ เป็นเก่าสบัติีึสไงสามวันดีใจไหมคิดถึงบ้านไหมเหนื่อยไหมเื่อยตอนม่วงนะตอนม่วงบนนักหนาะตอนนี้หายม่วงใช่ไหมทำไมมันเป็นเช่นนั้นเองของมันนะมันไม่ได้มีอะไรทิ่แท้แน่นอนจริงจะร อ๋อครับ hmm. ด้วยจิตอจาจจะความตั้งใจดียเลยแต่พอเมื่อวานเดินชมกลมพอเดินชมกลมเยอะเนี่ยแล้วก็ได้สวด <c oughs> ่อยในเมื่อวานเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความพอใจไม่พอใจแล้วเราไม่ได้ไปดูตรง น, นั้นนะคะแล้วก็พอเมื่อคืนก็เลยทําให้เห็นเห็นการเกิดไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเห็นจิตที่มันไม่ชอบอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นเห็นเห็นจิตคิดเนี่ยมันดับได้บ่อยขึ้น ก็แต oh, oh, oh, ่ว่ามันนี้ง่วงค่ะก็ก็ฉันเองนิดนึงว่าเราจะเห็นจิตที่มันเป็นอักขุศ่นจิตเยมันเป็นอักขุส่มากเลยค่ะมันจะอกุส่เยอะมากแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบบ่อยมากซึ่งมันขึ้นมาจนกราทั่มันรู้สึกว่ามันทุกข์กับไอความคิดที่มันขึ้นมาเยอะมากเนี้ยค่ะ เราก็รู้ว่าไปเยอะค่ะถ้าที่มันอโกศลจะเป็นมาโลกรใช่หมฮะถูกไหมมันใช้ ไ, ไม่ออกไปแต่มันก็ติดเป็นมโลกรมันก็ต้องฝึกให้มันสั้นให้มันเบาไหวขึ้นอันนี้แหละตัวจริงของกิเลสให้พ้อแสดงนะนะมัดีข้างหน้าเราต้องดูยิ้มแย้มดูใจดีนะเดอดเดืใจดีแต่อโกศลมันมีเยเหแยะนะทุกคนในเะรือนนะมันอันนี้แหละเราให้ ให้ตัวจริงมันปรากฏขึ้นนให้กิเลสอัุศัเกิดขึ้นยิ่งพูดตรงๆนะยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจิตเยอะแต่เราจะเห็นมันเยอะเห็นว้ามันพอเราทําเราก็ไม่ไม่สนองมันมันอาจจะเป็นมโนกรรมแต่มันก็เป็นมโนกรรมที่ที่เราสามารถละได้ด้วยกรรมฐานที่เราคล้าๆไม่ให้ข้ามอะไรนะเมื่อมันไม่ให้ข้ามมันก็มันก็ตกไป ที่จริงมันเป็นการตัดตัดอาหารของมันนะคือพอมันคิดสิ่งคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเราก็เฉยเฉยกับมันอ่ะต่อไปมันจะคิดขึ้นมาอีกแล้วก็เฉยเฉกับมันต่อไปมันก็จะค่อยๆฟอไปอัุศโนที่เกิดขึ้นบ่อยๆพอเราเห็นมันบ่อยๆมันจะฟอลงคํามามมันจะน้อยลงของมาเองแต่มันจะอาจจะเห็นเรื่องอื่นที่เราอาจจะไม่เคเห็นอัติโนสนในจิตในเรื่องนี้มันจะโผล่ขึ้นมาอีก เขาไม่เป็นไรจริงๆนะ ม, มันเป็นขั้งที่มันไม่เกิดเลยค่ะไม่ได้เพราะมันมันเห็นความไม่ชอบของตัวเองในการที่ไม่ชอบอคติส่วนนี้มันอาจจะอยากดีขึ้นมามันด้วยพื้นตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่มันคือต้องผ่านชุดนี้ เ, เ, เป็นสเต็ป่ะเป็นเป็นขั้นตอนที่เราต้องผ่านเป็นทุกคนาการปฏิบัติธรรมมันต้องผ่านไออารมณ์ที่มันรู้สึก เห็นความคิดที่มันไม่ดีเยอะแยะมากมายแต่เราจะผ่านมันได้หรือเปล่าบางคนก็รู้สึกรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองที่คิดไม่ดีหรือสึกไม่ดีแบบเนี้แต่สังเกตจริงๆมันไม่ใช่ความตั้งใจของเราครับมันไม่ใช่ความตั้งใจคิดมันมันปลุกของมนะันเองถ้าเรามองด้วยมันเป็นของมันเองเป็นของมันเองมันไม่ใช่เราตั้งใจจะคิดแบบนั้นแต่สิงที่เราตั้งใจคือเราไม่เป็นกนองมัน แม่ไปทำตามมาแต่เอาเปิดเผยเขาจะค่อยๆลดไปแต่จะถามว่ามันพวจะหมดหรือเปล่าคตอนเมื่อเราหมดทุกข์นั่นแหละแต่แต่มันจะค่อยๆลดไปเยอะค่อยๆลดไปลดไปด้วยอะไรถ้าใจเราเป็นกลางแบบแบบคำวัดมันมากขึ้นเอ่ะมันจะเกิดขึ้นสักเดียวแล้วก็หายเกิดขึ้นสักเดียวแล้วก็หายแต่มันก็จะคอเห็นตัวที่ละเอียดขึ้นซึ่งบางทีเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราติดดีฮ เรารเรารู้สึกบางทีเด็กไม่น้อยอยู่แต่ก่อนเราจะรู้สึกตอนเราโกรธมากๆเราก็รู้สึกถ้าไปแค่มือหยีนนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นกับประสบเกิดข้นได้ในจิตหรือบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องอยายกเยอะมันถึงจะรู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าต้องการจริงแต่บางทีนิดเดียวนะก็เห็นอ่ะหนูไปตัดมาหารเขานีเพราะอาหามีน้อยคนตัดไปก่อนเราเนี่ย มันเกิดความไม่พอใจหรือว่าเกิดความอยากขึ้นมาในใจไอ้พวกนี้ก็เป็นอุตโนมันะซึ่งแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนะก็มันเหมือนที่หลวงปู่ตูนท่านบอกมีแต่เราไม่เอามีคนถามหลวงปู่ตูนว่าหลวงปู่มีความโกรธมีหรือเปล่าหลวงปู่ท่านก็ตอบมีแต่ไม่เอาแล้วก็เหมือนกันอัตโนมัติเกิดขึ้นก็มีแต่เราไม่เอา ก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าขอบสถานที่ที่ให้ใช้สถานที่ได้สามวัน2คืนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าได้สิ่งที่ดีๆแล้วก็ โมทนากับการจัดค่ะนียค่ะสาหรับตัวเองนะคะเมือม่อวันเมื่อวานนี้ค่ะวันแรกก็บอกพระอาจารย์ว่าทำไมนั่งไม่ได้เลยปวดเมื่อยไปหมดเลยก็เดินอย่างเดียวนั่งปุ๊บก็เมือ่อยปั๊บ ให้พวกเราเนี่ยก็เห็นท่านปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามค่ะให้เหมือนกับมองกายให้เป็นทีนะคะก็ปฏิบัติไปก็ดูเวลาไปเลยสองทุ่มพระอาจารย์ก็ยังเดินก็ยังไม่ลองลงลงมาเข้าห้งนำ้ำขึ้นไปต่อพระอาจารย์หายไปแว้กหนึ่งติดมันดีใจแล้วก็สภ า, าก็เห็นท่านขึ้นมาอีก เวลาก็ผ่านไปรู้สึกว่าเดินอดเมื่อจริงจริงก็เข้าใจว่าอีกสักพักพระอาจารย์คงตัดแต่ท่านก็ไปนั่งดูงเมื่อร้างจังหวัดต่อก็เราก็เราก็เดินต่อไปแล้วมีคนประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดคนนะคะก็เดินอยู่ล้วก็ก็เดินบ้างนั่งบ้างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอมานั่งเนี่ยเราเห็นความเบือ่อ เห็นจริงๆเห็น ช, ะชะัดๆที่จริงก็รู้สึกว่าอยากนอนอยากเขานอนมากพอเห็นรู้สึกว่าอ้อนี่เราเห็นความเปื่อของตัวเองเนี่ยมันก็สวา่างอย่างนั้นก็นั่งกด้นั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินไหวตอนนั้นก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มก็รู้สึกว่าไม่เม่มีอะไรที่ที่หนักๆ ก, ก็เบาอืม แต่คนไม่ไหยจริงๆสี่ทุ่มคึ่งก็ต้องมาก็ลงมานอนก่อนก็จะมีอีกประมาณสามคนที่เหลือไม่ทราบว่าเลิกกี่โมงพอมาถึงวันนี้ที่บอกอาจารย์ว่าไม่อยากยกมือก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าพยุงก็ไม่เผามันมันไม่ไม่หนักเลยไม่ไม่เนื้อว่าไม่อยากยกแล้วก็เท้าแตะถึงก็ชัดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเห็น ความชัดขึ้นของสภาวะต่างๆก็รู้สึกว่าถ้าได้ปฏิบัติต่อก็น่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแต่ก็รู้อิย่างหนึ่งว่าตัวเองชอบเป็นจ้องหน้านานๆแล้วก็คอยจ้องว่าปวดมันจะเป็นยังไงต่อเสร็จแล้วก็กับมันนึกว่าอันนี้ก็คือสภาวะที่ไม่เป็นกางของใจหร่อนยเราเร า, เราไปหยากต่อมาเขเลยปล่อย อะไรก็ได้ก็รู้สึกว่ามันก็เบสบายสบายก็รู้สึกว่าได้ผลดีค่ะก็ ด, ดีเลนะแม่แล้แต่ก็จะต้องเตือใจนะต้องอยากเปพนาดหวังว่าวันนี้ดีพรู น, นี้จะต้องดีแต่สิที่เราเควรทมก็คือเราสมบรูณ์ต่อ เราไม่ได้อยู่ที่นี่ลรวก็ฝึกต่อฝึกต่อให้มันต่อเนื่อแล้วก็คือสภาวะมันมันไม่แน่นอนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีให้ใจเราเป็นกลางกับสภาวะ น, นก็คือว่ามันจะงว่วงมันจะเบือ่อมันจะสุขต่สบายให้ใจเราเห็นมันเฉยเฉยอย่าเข้าไปเป็นผู้สุขอย่าเข้าไปเป็นผู้งว่วง แต่ก็เราก็ใส่เทคนิคอะไรที่ในแต่ลักษณะที่เราทําให้เรามีเคลื่อนอยู่ในแต่ลักษณะแล้วก็สร้างไปแต่พอมันได้อารมณ์แล้วเหมือนก็จะทําอะไรมันก็รู้สึกเบารู้สึกปฏิบัติได้แต่ต้องอย่าไปติดวามเถิแล้วก็อย่าไปติดใจวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ทําไม่ดีเราก็ยอมรับว่ามันไม่ ด, แมมมดีแต่เราก็อยู่ประมันอยู่ประมาณไปเรื่อย เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นกลางกับสภาวะมากขึ้นอบคุณ่ะ คือก่อนที่จะมามันจะง่วงนอนมากนี้ป้าจานเจ๊บอกว่าอ่าอย่าเพิ่ไปกังวลก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆทีนี้จุดที่นันมันจะมีจุดที่มันก้าวข้ามไปก็จะบอกว่าเวลามันเดินนี่มันเหมือนกับว่าตัวเองนี่ง่วงแล้วก็กลัวมันจะแบบมันทุจะเซแล้วค่ะตอมันอยู่สักพักหนึ่งก็เหมือนว่ามันมันก็ปรับปรับกายแล้วก็มันก็ปรับจิตมันก็เดินได้ก็ทําให้สามารถเดิน ข้าไปได้ก็จะรู้สึกว่าอย่างที่การบอกคือจุดมันจะมีจุดที่ที่เรียกว่ามันสามารถที่จะแบบก้าวข้ามก้าวข้ามกระดูเข้าไปได้ค่ะซึ่งมันคือจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญ รู้สึกสบายก็เลยเห็นอาการปวดว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราปวดนี่เรามันไม่ได้ปวดปวดทั้งตัวค่ะมันมันปวดเป็นจุดๆหรือบางครั้งมันสามารถเห็นเป็ น, เ ป, นเป็นแค่เส้นเดียวจุดเดียวนี้ค่ะก็เลยก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเวลาช่วงที่เหมือนกับก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนว่ามันมันปล่อยแล้ววางแล้วพอมันเห็นอาการปวดมันก็จะจะชัดขึ้น ส่วนวันนี้ก็ก็กลับไปสู่ความ ง, ง่วงมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่แต่วงวันนี้กับง่วงวันก่อนเนี่ยใจเราต่างกันถ้าเราเคยผ่านมันได้เราจิตสึกว่าครั้งต่อไปมันก็มันก็ผ่านได้นะเพราะนั้นคนที่ยังผ่านไม่ได้จะ ต้องผ่านไม่ได้จะรอบนะมันถึงจะมั่นใจนะมันถึงจะแน่ใจว่ามันก็สามารถที่จะผ่านได้พอผ่านได้มังมันก็เหมือนเป็นทางเรียบนะทีนี้หมายถ้าเปเรียบเทียบเหมือนเหมืนอนพอเราเดินขึ้นเขาโอ้เหนื่อยไหมใครๆขึ้นภูกระดึงเหนื่อยนะขึ้นภูชี้ฟ้านะเหนื่อยนะข่อยเดือดถึงแต่พอไปถึงนะั้นมันเป็นทางเรียบ ก, นะก็เลยสบาย บางครั้งเราม่วงแลเราก็ต้องต้องคล้ายๆเหนื่อยบ้างแหละต้องพูดกันว่าแต่พอถึงจิตหนึ่งมันก็หายโ่่งได้แต่เพื่อมั น, นก็แบบนั้นนะเขาไม่มีลูกเดียว <c oughs> ยังมีลูกทีส่สองลูกที่สามลูกทีท่สีนะแต่ก็วิธีการเหมือนกันวิธีการเหมือนกันะก็เราก็ค่อยๆอยู่มาแต่ต่อไปเราตื่ไปเรื่อยมันจะเห็นว่าความม่วงก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่ง ตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนเดินขนานกับภูเขาภูเขาก็จะหนักก็ส่วนหนึ่งนะแต่เราก็ขนานกันไปมันเหมือนตอนนี้มันไม่เหมือนเดินเหมือนเรานั่งรถนะเราต้อเก่นว่าขึ้นเขาแต่เราไม่เหนื่อยไม่หนักเหมือนเดิมะมันก็เป็นสภาวะที่มันก็จะแตกต่างขึ้นะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องผ่านแต่การเดินที่หนักหนักหรืเหนื่อยแหละต่อไปแล้วก็ มันก็จะเป็นแค่อาการเฉยๆเอาอย่างที่โยได้ยินโยก็เข้ามาพูดคุยก่อนหน้าแหละว่าคือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันก็จะเห็นอาการที่มันแจกได้ว่าบางทีความทุกข์ความปวด น, น่ยมันเป็นแค่ส่วนการภาวนานจะทำให้เราเห็นว่าเป็นแค่ส่สวนส่วนที่มันทุกข์ก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งตัวนะแต่บางทีเราเจ็บปวดทุกข์ในบางที แค่ส่วนเดียวแต่เราทุกทั้งตัวทุกทั้งใจนะแต่ตารมัเจ็ดให้เราสูกสึกแยกแล้วว่าเป็นส่วนๆแต่ที่สำคัญคือเราไม่เอาว่าตัวเราเป็ น, ปนผู้ทุกนะั่นะนี่คือก็แย่นะเนีเ่ยไปเรยมันจะลับมาใหม่ก็เรียนรู้ไปเรื่อย าคเห็นความสังใจที่มันบางทีมนมากเกินไปอะไเห็นทั้งบางทีมก็ทั้งโล่งทั้งโปรยก็บางทีมันก็หนักอะไรเงี้ยครับเห็นเห็นหลายอย่างบางทีพอเราเดินเมื่อเมื่อพร้อมนั่งพักแล้วก็ไปเดินต่อีกทีมก็รู้สึกโล่งอะี้ยครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับผมก็อยู่เป็นสองคนสุดท้ายแต่ตานเนี่ย ชอบมีพาร์าจั์ตุ้มลงไปก่อนต้องนา้ไเทปไว้แล้วก็ก็เห็นเห็นเห็นจิตมันหลอกหลอกเราไหรับว่าถ้าพาร์จัมจะในสังชิบนี่เราเราจะไหวไหมอะไรด้วยเพราะว่าต้องมีาต้องไปที่อื่นต่ออะไรนี้ครับจะพุงนี้จะไหวหรือเปล่า ลงมาข้างล่างนี่เขาจะนอนกันหรือยังจะเดินเข้ามาจะเหยียบใครหรือเปล่าไ่งเลยครับแต่พอลงมาจริงๆก็มันเขาก็หลับกันเรียบร้อยอะไร่เนี้ยครับก็ไม่มีอะไรพอพระอาจารย์ตุ้มไปก็ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันเหมือนเราบางทีเราก็คิดหลับขึ้นมาองอะไรอย่างเนี้ยครับก็ดีแล้วอยู่ทีแบบเนี้ยนะบางที เราลองทำอะไรที่เราเราไม่เคยทำหรือบางทีเราไม่สามารถที่จะกัดเกรงคาดการได้มันจะทําให้เราเห็นบางอย่างที่มันอยู่ในใจเราแหละนะบางทีเป็นความกังวลร่วมหน้าหรือว่าคิดนั่นคิดนี่นะวันนี้บางทีพวกนี้แหละคือเราต้องลองบ้างอย่างเช่นเราลองปิดวาจาเนะีมันก็จะทําให้เราเห็นบางความรู้สึกอยากพูดนะในใจนะหรือบทีเรา บิกเนื้อต่ชิกหรือว่าอาจจะตั้งใจไม่สืบต้นเมืต่ชีกก็อาจจะนอนดึกหน่อยมันก็จะเห็นแต่บางคนนะหรือบางคนไม่เคยนั่ง น, นานๆชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเห็นความรู้สึกว่าแต่ไหวไม่นออะไรนะใช่ไหมอันนี้คือถ้าเราทําอะไรที่เราไม่เคยทํานะแต่ต้องรงเล็กนะทําในทางที่ไม่ใช่เป็คนความที่คนอือนร้อนนะอือก็ มันจะเห็นบางอย่างในตัวเราเรยอยะขึ้นทําไมนิงพระท่านก็จะมีทูตองกขวัดนะ่ะเจ็สามข้อเนกะี่ยวกับเรื่องการใช้ตีบอเกี่ยวกับเรื่องที่พักเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนะี่ยสีหมวดแค่นี้นะแต่เพื่อให้เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นตัวเราว่มามันเป็นแบบไหนนิมพระบางรูตท่านชั้นหนึ่ง ม, มือนะ่ะตอนในใหม่นั้นมาก็ ประเมินใหม่ก็วัดป่านแนละ้วก็คิดว่าจนะฉันมือเดียวแต่ก็ฉันมือเดียวอ่าแต่ก็มีความกลัวในใจของเราที่กลัวว่าจะไม่ยิ่มกลัวว่าจะหิวกลัวว่าจะไม่สบายฉันมือเดียวก็จริงนะแต่ว่าเกือบครึ่งบาทตรงเนนะี้ยก็ก็มันก็เยอะนะเยอะมากแล้วก็นี่ความกลัวของเราแล้วก็ทําให้เราต้องยัดเข้าไปเหมือนเสือไวใะเสือตอนเช้าเสือตอนเย็นนะะไม่เคยฉันแบบนี้นะ มันก็เป็นแทนที่จะเป็นการปฏิบัติภไฟเพื่อความทุกทุกนะแต่ปฏิบัติไฟเพื่อความทุกของทายตัว ข, ของใจทั้งทั้งที่เราก็บอกว่าเราแันมือเดียวแต่นะเห็นไหมบางทีไม่มันไม่ใช่ใครยๆไม่ใช่ว่าข้อวัดมันจะเป็นทางที่จะทําให้ทุกจริงๆแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเราขณะที่ทนะนะํานอ่ะมันจะไม่เกิดปัญญานะ เราถือว่าถือฉันเมื่อเดียวแต่ฉันสักินฉันมีความกลัวก็วมไม่ใช่ทางคนทุกแต่ถ้าเรารู้ทันฉันพลาดอะไรพอดีฉันประละมีความกังวลเกิดขึ้นนะฉันแล้เห็นความอยากเกิดขึ้นในใจเนะี่ยอันนี้คือเราจะเห็นเห็นจิตเห็นใจนะนี่คือทางก็ลองดูนะพวกเราก็อาจจะดูตัวเองนะดูตัวเองว่าอย่างผู้ตรงของพรนะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นข้อ ขอแก้ไขนะหรือว่าเพื่อดัดตัวเองในบางด้านนะอย่างพวกเราเองก็ทําได้นะโยมอาจารลองดูที่ฉันน้อยลงได้ไหมนะบางคนฉันน้อยลงไม่ใช่เพียงแค่ต้องการักษาหมุนให้ดีนะแต่ต้องดูให้เห็นกิเลสของเราตอนที่มันอยากอยากกินอะไรตามความต้องการของหร่างกายหรือว่าอยากกินเพราะความถนองความอยาก มันจะแยกแยะได้ใช่ไห ม, อ, มอยากจะซื้อของอ น, นะเราซื้อที่ยความจาเป็นของชีวิตประจําวันหรือซื้อที่ยความถนองความอยากสนองความเบื่ออนะ่รแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อวัดของเราได้นะอืหรือการไปห้ามการไปอะไรอย่างอื่นที่เป็นที่ที่อาจจะทําให้เราเย่อหยวนกิเลส เราจำเป็นต้องไปมัมก็อาจจะต้นดูพวกนี้นอือ ม, มันก็เป็นข้อวัดของพวกเราดูเรื่องการชอบ ป, ปิ่งเรื่องการกินหรือเรื่องการนอนก็ลองดูใครติดนอนก็อาจจะต้องปึกนอนให้มันน้อยลงหรือนอนหรือก็ลองนอนให้มันเร็วขึ้นในเรือนนะหรือการไปอยู่วัดก็ดีถ้าใครไปอยู่ได้ก็อาจจะเห็นอ่อย่างไปวัดป่าปอาจจะเหควกลัวผีควากลัวทุกแก ความกลัวมูความกลัวตื่นเช้าไม่ไหวมีนะมันก็จะเห็นที่จริงแต่จริงแค่ร่างกายนะมันสามารถปรับตัวได้แต่ใจเราจะยอมปรับหรือเปล่าอัน น, นี้เราจะไม่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของใจเองได้ถ้าเราไม่พยคยาม ไปวันสองสาวันผ่านไป แต่มันต้องใช้ใช้มันก็ต้องเป็นมันก็เป็นช่วงเปี่ยนผ่านของจริงเหมือนกันนะเมันเหมือนใช้ใช้มันก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองจริงๆหลาตอนนั้นน่ะแต่เราก็ต้องปฏิบัติต่อมาจะเข้าใจคำว่าผ่านอารมณ์คําว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เรารู้สึกไม่ชอบความรู้สึกไม่ดีที่มันคิดขึ้นมานะมันจะมีอารมณ์พวกเนั้นแต่เราจะปฏิบัติไปไนให้ใจเราฆ่ามันได้เป็นกางต่ออารมณ์นั้นได้ สิ่ที่เรียกว่าผ่านอารมณ์นะผ่านอารมณ์ที่ไม่พอใจหรือแม้แต่อารมณ์ที่พอใจมันก็ต้องผ่านมันให้ได้เหมือนกันนะหรือบางอารมณ์มันเป็นอารมณ์แบบรู้เป็นฐานระพัดแต่ช้าวิจารวิจารณไปมันก็ต้องฝึกให้มันผ่านนะมันมีแต่ต้องผ่านไม่ว่าจะด้านมืดด้านบวกหรือว่าด้านความรู้ด้านอะไรนะมันก็ต้องฝึกให้มันผ่านนะ นั่นคือการภาวาานาผ่อไปไปทีทีละขั้นทีละตอนแต่บางคนอาจจะไม่ไม่เหมือนกันเสมอว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังแต่ส่วนใหญ่ก็จะสิ่งเด็กกระต่านเขาจะมาก่อนมันจะค่อยๆฝึกคุยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นแต่จริงไม่ใช่เราจริงๆนะมันเป็นเพียงแค่แค่อาการของสิ่งที่เขาดิ้นรนเขาสแสดงอาการเขามาบอกเจ๊เจ๊เขามายัว่วยวน แต่พอเราไม่สนองมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดบ่อยดีเลยแต่จริงลองสนองขอย่างหนึ่นะไอ้ตัวเดียวนะ่ะมันไปไกลเลยออ <c oughs> มันก็สนองจนอิอมเหมือนไม้ไผ่ยุงมากัดเรานะเรายิ่งปัดนะมันจะยิ่งมาตอยิ่งปัดก็ยิ่งมาต่อมยิ่งปัดก็ยิ่งมาตออ <c oughs> มันก็เป็นแบบนั้นแนหะ คนมีใหม่เลยมนะั้ไหมอยากฟังคุณยายไม่ก็ไม่ไมีใหม่นะก็ เ, เก่าแต่นดก็ยายไม่ไม่ต้องพูดตักก็ได้พุ๊ในฐานะอายุเยอะแล้วอยากแจกปากอะไรกับลูกหลานให้อให้อลูกหลาน ไม่ต้องว่าใจง่ายอารมณ์นะถามยาเอยกจะพูดยายก็พูดก็ดีใจที่ได้มาที่นี่ะคะแล้วก็รู้สึกว่าตลัใไปแล้วก็สบายใจพรานนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขปจจัยแะไอ่าเงี้ยถาถืจบดีแล้วครบ Thank <laughs> you.